วันนี้อรตมาก็จะเล่านิทานให้พวกโยมฟังจนกว่าจะถึงเวลาวันนี้นิทานเรื่องแรกมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโจขณะนี้ก็มีอายุสามแปดปีแล้วแต่ชายคนนี้มีโรคประจำตัวอยู่โรคหนึ่งคือปวดหัว ปวดหัวจะมาตลอดยี่สปีที่ผ่านมาและก็ไม่เคยคิดจะรักษาหรือหามหมอคือโจเนี่ยเริ่มปวดหัวตั้งแต่ยุปดจนถึงยี่แปดก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกรรับการเรียนคงเครียดเพราะการเรียนพอหลังจากยี่แปดขึ้นไปอยู่ในวัยทำงานก็คิดว่าคงปวดหัวเพราะเครียดจากการทำงาน การปวดหัวก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนโจสุดที่ทานทนในที่สุดก็ต้องไปหาหมอจนได้หลังจากหมอตรวจแล้วหมอก็พูดกับโจว่าผมมีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกข่าวดีหมอรักษาโรคปวดหัวของคุณได้หายขาดได้แต่ข่าวร้าย โจร้อนลนมากข่าวร้ายคือไงหมอข่าวร้ายเนี่ยหมอตอบว่าข่าวร้ายคือหมอจําเป็นต้องตัดไข่ของคุณทิ้งโจได้ยินเล่นเอาอึ้งแล้วสะดุง้งตกเหมือนตกอยู่ในผวังหมอคอยตอบว่าตั้งแต่หมอรักษาคนไข้มา บีของคุณเนี่ยเป็นเคสที่ประหลาดมากที่สุดหนึ่งในร้อยล้านคนก็ว่าได้ที่ลำไส้ไปกดเส้นประสาทกระดูกสันหลังส่วนล่างเพราะการกดเส้นประสาทเนี่ยทำให้คุณมีการปวดหัวมาตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วหมอไม่มีทางเลือกเราจะตัดไข่คุณทิ้งเท่านั้น ตอนนี้โจทุกข์มากและคิดหนักไปนอนคิดอยู่ตั้งหลายวันเพราะโจเนี่ยล่ำเรียนมาด้วยความยากลำบากเพราะหวังจะจะให้ได้มีงานดีๆทำเพื่อได้มีฐานะมั่นคงพอมีฐานะมั่นคงพอสร้างและสร้างตัวได้ก็หวังว่าจะมีสาวๆมาให้เลือกเป็นภรรยาแต่แล้ว ความฝันทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงเพราะอาการปวดหัวเป็นเหตุแล้วก็ไม่กลายปรึกษาใครเพราะถือว่าเป็นเรื่องทน่าอบอายแต่ถ้าเราไม่ตัดไข่เราก็ต้องทนปวดหัวต่อไปตลอดชีวิตซึ่งทุกทรมานมากท้ายสุดโจตัดสินใจไปหาหมอเพื่อจะตัดไข่เพื่อจะได้หายจากโรคปวดหัวหลังจากหมอ ผ่าตัดให้แล้วและพักฟื้นจะร่างกายเป็นปกติโจก็เหมือนไม่คนใหม่รู้สึกว่าหัวสมองเขาโปร่งโล่งสบายไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมา20ปีแต่เขาเหมือนสูญเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญไปแต่แล้วเขาก็สลัดความคิดอันนั้น ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อคิดได้อย่างนี้โจก็เริ่มต้องการสร้างความสุขให้ตัวเองเพื่อฉลองชีวิตใหม่ก็เลยมองหาร้านสูตรที่ดีที่สุดของเมืองพอเดินเข้าไปที่ร้านชายชะลาผู้เป็นเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับผมต้องการสูตรดีสักตัวครับชายชะลา มองดูลักษณะของโจก็ตอบว่าขนาดของคุณ44กำลังดีโจก็หัวเราะเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยยังไม่ได้วัดเลยผมเปิดร้านมา60ปีแล้วครับโจก็ได้สูตรตัวใหม่ซึ่งก็ใส่พอดีทำให้ดูสง่าชัยลาก็ตอบอีกว่า ไม่สนใจเสื้อเชิ้ตไหมครับโจก็ตอบว่าอืมก็ดีเหมือนกันชัยชะลามองดูซ้ายแล้วก็บอกว่าแขนสามสี่คอสิหกนิ้วครึ่งโจก็ชะเอกใจเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยยังไม่มีการวัดอะไรเลยชัยลาตอบว่าผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับ โจก็ใส่เสื้อเชื้อตัวใหม่ซึ่งก็เท่แล้วก็บอกส่งว่ารูปล่างชายชาลาก็ถามต่ออีกรองเท้าคู่ใหม่ไหมครับโจก็บอกก็ดีเหมือนกันก็เลยเรื่องรองเท้าชายชาลามองดูปุ๊บนึงก็รู้ว่ารองเท้าเบอร์เก้านิ้วครึ่งโจก็สงสยัยไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องวัดไม่ต้องอะไรเลย ชายลารีบตอบผมเปิดร้านมาหกสปีแล้วครับโจก็ใส่รองเท้าซึ่งพอดีกับเท้าของเขาแล้วก็เดินชมไปรอบร้านสักพักหนึ่งชายลาก็ถามอีกกางเกงใหม่ๆทักตัวไหมครับโจคิดอยู่คิดอยู่พักหนึ่งก็ก็ดีเหมือนกันก็เลยจะซื้อกางเกงตัวใหม่ ชายชาลามองดูหุ่นของโจแล้วก็บอกว่าต้องใส่เบอร์สามหกโจหัวรอกากากเลยบอกว่าคราวนี้คุณผิดแล้วผมใส่เบอร์สามสี่ต่างหากชายชาลาก็ทำหน้าพิลึกบอกตายหาแล้วคุณใส่เบอร์สามสีได้ยงไงมันไม่รัดไข่คุณต้องไปกดลำไส้ จนลำไส้ไปกดเส้นประสาทกระดูกสลังส่วนล่างหรือถามจริงคุณไม่ปวดหัวบ้างหรือเนี่ยถ้าผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยสังเกตดีๆนะเรื่องนี้ถ้าเกิดโจเนี่ยมาหาร้าน ต, ตัดสูตรก่อนนะก่อนไปหาหมอก็ไม่เสียเงินแล้วไม่เสียไข่เพราะบางครั้งเนี่ยการแก้ปัญหาเราไม่รู้ข้อมูลไง บางเรื่องก็เป็นเรื่องปัญหาง่ายๆแต่ว่าไปทาให้ยากเกิด ล, ลัางเสียทั้งเงินเสียล่้งไข่ซึ่งคนทั่วไปก็บางคนกแก้ปัญหาแบบนี้คือไม่ปรึกษาไม่หาข้อมูลไม่ถามผู้รู้แล้วก็แก้ปัญหาเองเฉพาะหน้าผลออกมาทําทำไปลองสูญเสียหรือถูกหลอกก็มีบางครั้งกแก้ปัญหาผิดวิธี ยังมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีพระใหม่อยู่คนหนึ่งพระใหม่คนนี้สนใจการปฏิบัติธรรมมากแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้คือเอาจริงเอาจังอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าวาดเห็นแล้วก็สนับสนุนก็เลยให้ไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียว ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกุตินี้จะอยู่ห่างไกลจากหมู่คณะคือจะไม่มีหมู่คณะไปกวนหรือเป็นการปีกวิเวกคือไม่มีการคุกคีแล้วก็มีเวลาอิสระทั้งวันในการภาวนาเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆทึ่พ้าใหม่คนนี้ก็ดีใจที่ครูบาอาจารย์สนับสนุน ก็ไปอยู่ทำความเพียรทันทีแต่เบอรเอิญบริเวณนั้นเนี่ยมีหนูชุกชุมมากแล้ววันหนึ่งหนูก็ได้มากัดจีวรของพระรูปนี้เข้าซึ่งพระรูปนี้ก็รู้สึกลาคาญใจมากเพราะต้องมาปะมาเย็บให้ดีแล้วไม่ใช่แค่จีวรเท่านั้นบางวันก็โดนกัดสะบงจนขาดก็มี ก็เลยคิดจะแก้ปัญหาป้องกันหนูเมื่อไงไม่ต้องบริบัติทำกันไปดีก็เลยไ ป, ไปไปขอแมวจากชาวบ้านแต่การไปขอแมวเนี่ยเราจะเอาแมวตัวโตมาก็ไม่ได้เพราะแมวตัวโตส่วนมากไม่หมายง่ายก็ต้องขอแมวตัวเล็กเพื่อเลี้ยงให้เชื่องก่อนคือขอรูปแมวมาเลี้ยงเพื่อมาค่มคู่หนูเพราะโดยธรรมชาติแล้วหนูจะกลัวแมว จะไม่กล้ามายุ่งกับแมวแต่เผอิญ น, นำแมวมาเลี้ยงทีนี้ก็ต้องหาหนมมาเลี้ยงแมวเพราะแมวยังเล็กอยู่ยังไม่อดนมซึ่งพารูปนี้ก็ต้องไปขอนมไปชาวบ้านซึ่งระยะทางจากวัดที่ตัวเองอยู่เดินไปหาชาวบ้านก็ไกลยอยู่เหมือนกันก็เดินไปทุกวัน ไปขนมมาจนต่อหลังรู้สึกว่าเริ่มเบื่อมีความรู้สึกว่าถ้าเราบวแต่ขอนมทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องภาวนากันพอดีจิตต้องแก้ปัญหาต่อไปไปซื้อบัวมาเลี้ยงเองดีกว่าก็เลยไปซื้อบัวตัวเมียที่กําลังมีนมอะ่ะเอามาเลี้ยงแล้วก็ถึงเวลาก็บีบนมบัวให้ให้แมวกินแต่นาบัวมาเลี้ยงเนี่ยทีนี้ ควมยุ่งยากตามมาอีกก็คือต้องหายามาเลี้ยงวัวที่เริ่มยุ่งแล้วเพราะว่าวัวต้องกินอาหารเหมือนกันซึ่งพาลูบีก็ต้องไปไปหา้าทาให้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมตอนหลังก็ชักเซง็งก็แก้ปัญหาต่อไปเราต้องจ้างคนมาเลี้ยงวัวแล้วก็เลยไปจ้างสาวคนหนึ่งมาเลี้ยงวัว พอจ้างสาวไปเลี้ยงวงัวนานๆเข้าตัวเองก็ชักเงินเริ่มล่อยหล่อเพราะว่าพระไม่มีรายได้อะไรแล้วก็รู้สึกไม่อยากจ่ายเงินด้วยไปปรมานี่ถ้าเราเราไปโยมเราก็ปฏิบัติทำได้นะธรรมะไม่เกี่ยวกับพระกับโยมคิดอย่างนี้ถ้าเราเราเราให้ผู้หญิงคนที่เป็นเมียเราแล้วเราก็ภาวนาไปน่าจะมีความสุข ความคิดก็เปลี่ยนก็เลยไปขอไป อ, อยู่นี่แต่งงานผู้หญิงันนี้ก็ชอบผชอบชอบผ้ารูปนี้ด้วยก็เลยโอเคตกลงก็เลยศึกมาอยู่กินด้วยกันมาสร้างครอบครัวสร้างฐานะตอนนี้นิพงศ์ิพาไม่น้องพูดถึงแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้ตอนหลังอาจารย์มาเยี่ยมอาจารย์ถึงก็อึ้งเลยว่าเอ๊ะเป็นไม่ได้งไงลูกศิษย์เราทำไมเบีเ่ยงเบนเป้าหมายไกลขนาดนี้ จากตอนแรกวางเป้าหมายว่าจะไปมะผลทิพานกลายเป็นมามีเมียาทาเฉยเลยซึ่งเรื่องนี้ก็สาเหตุก็มาจากการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีคือถ้าหนูกัดจีวรหรือหนูกัดตะบงเนี่ยเราก็ป้องกันหนูได้เราก็เอาเก็บไว้ดีๆไม่ให้หนูกัดได้สร้างเอาใส่กล่องหรือที่เป็นแข็งแรงเราไปเราไปสร้างเหตุผิดเราต้องแก้ปัญหา สิ่งเรานำมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแมวก็ต้องอาหารนมมาเลี้ยงแมววัวก็ต้องหาหญ้ามาเลี้ยงวัวพอมีลูกจ้างเราก็ต้องหาเงินมาจ้างไปอามาก็ไม่จ้างซึ่งปัญหานี้แก้ง่ายแต่ว่ามันเป็นการแก้ผิดวิธีก็เลยเป็นแบบที่เห็นนิทานเรื่องต่อมาก็ เรื่องนี้เกิดที่สนามบินแห่งหนึ่งมีนักธุรกิจสาวคนหนึ่งระหว่างที่นั่งรอเครื่องบินก็มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งนั่งให้ใกล้และเธอก็รู้สึกไม่พอใจชายหนุ่มคนนี้เพราะมีการู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยกาลังกินคุกกี้ของเธอซึ่งถือเธอถื อ, ถ, อถือว่าไร้มารยาท ชายหนุ่มก็กินคุกกี้กไปแบบไม่แยแสเธอเลยผู้หญิงคนนี้ก็หยิบกินบ้างชายหนุ่มหยิบชิ้นหนึ่งผู้หญิงคนนี้หยิบชิ้นหนึ่งหยิบไปหยิบมาคุกกี้ก็หมดถุงเหลือชิ้นสุดท้ายต่างคนต่างมองหน้ากันผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะเอาไงกันแนะ่มากินคุกกี้เราไม่มีไม่มีการขอบใจหรือขอโทษเลย ช่างไร้ศึกษาไร้การศึกษานี่ถ้าเราไม่ใช่คนมีความรู้ไม่ใช่ผู้ดีเนี่ยจะขอชกหน้าทีคื อ, ค, อ, ค, อคือเพ่งโทษอะ่ะชายหนุ่มก็หักคุกกี้ชิ้นสุดท้ายให้ไปครึ่งหนึ่งเอาต่างคนต่างกินจนหมดแล้วพอได้เวลาหญิงสาวก็ เดินขึ้นเครื่องบินไปด้วยอาการที่ไม่พอใจแล้วไม่เหลียวหน้าไม่เหลียวหลังกลับมาดูเลยชายหนุม่มผู้นี้อีกเลยระหว่างที่ขึ้นเครื่องเธอก็ชักหนังสือจากกระเป๋ามาอ่านอ้าวก็ไปกวานมือไปควานโดนคุกกี้เธอก็ใช้เอกใจเอ๊ะเมื่อกี้มันไม่ใช่คุกกี้ของเธอเนี่มันคุกกี้ของชายหนุม่มถ้างนั้นเราเองนี่แหละเป็นคนหน้าด้าน ไม่มีสมบัติพูดดีเธอก็เลยมีฝวาสื่ตัวเองผิดรีบออกจากเครื่องบินไปเพื่อจะไปขอโทษชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เธอก็เห็นชายหนุ่มอีกแล้วเห็นไในเก้าอี้ว่างเปล่านิทาเรื่องนี้ก็เธอก็เป็นฝ่ายผิดเพราะความเข้าใจผิดแทๆ้ๆเรื่องนี้คนเรามีการเข้าใจผิดกัน ได้ง่ายแล้วก็บ่อยในชีวิตจริงคนเราเข้าใจผิดกันได้เพราะว่าเราขาดควารมรอบคอบบางทีคิดว่าคนอื่นเอาของเราไปทั้งที่บา ง, ง, งทีเราไปเอาของเขามานะบางทีของมันเหมือนกันอย่างตัวระมาเองเมื่อก่อนจะมาขำเลยนะแต่มาไม่ได้โกรธคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอระมาซื้อสือพิมพ์มาแล้วนั่งรถไปกับหลวงพ่สังหลุงพ่สังก็ซื้อสือพิมพ์ฉบับเดียวกับระมานะแต่ระมาเนี่ยเอาสือพิมพ์เก็บใส่ถุงไว้ อยู่ลึกเลยเอ้ยเราก็จะบ้านหนือพิมพ์เอ้ยหลวงวิสังมาอ่านเดนิลของเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ว่าเลยเออเราเราก็เราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วหลวงสาวกผมซื้อมานะคือจเอจ้าเจ้ามาแจกคนในวัดไงเราเคียิดของเราอะ่ะแต่จริงพอกลับมาวัดเอ้ยไม่ใช่เลยหนั่สือพิมพ์เราก็ยังอยู่อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นเข้าใจผิดกันได้ คนเราบทีขาดความรอบคอบก็ไปเหตุเข้าใจผิดถ้าบางคนไม่มีสติก็กลายเป็นหมางใจกันก็มีจากเรื่องเล็กเยน้อยไม่เป็นเรื่องเรื่องเล่นยนฐานะแล้วก็จะเล่านิทานเรื่องต่อไปให้โยมฟังนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่แปลกๆอยู่เหมือนกันที่ชนบทแห่งหนึง่งเป็นบ้านของชาวนา มีหนูอยู่ตัวหนึ่งหนูตัวนี้กำลังแอบมองรอดรอยแตกของบ้านเห็นสามีภรรยาชาวนากำลังแกะกล่องหนูอยากรู้ว่ากล่องนั้นมีอะไรเป็นอาหารหรือเป็นอะไรกันแน่ด้วยความสงสัยชานาชาวนาค่อยแกะกล่องออก พอหนูเห็นสิ่งที่อยู่ในกล่องหนูแทบช็อกเพราะมันคือกับดักหนูเจ้าหนูดิ่กลัวมากวิ่งหน้าตาตื่นไปรอบบ้านเลยวิ่งมาจนเจอไก่ไก่กําลังคุยเขี้ยอาหารอยู่มีกับดักหนูอยู่ที่บ้านมีกับดักหนูอยู่ที่บ้านตะโกนวายวายเจ้าไก่ ซึ่งมองว่าเอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความโชคร้ายของหนูตั้งหากเพราะว่าเขาต้องการมาดักหนูไม่ใช่ดักไก่ไก่ก็ว่าหนูไปบอกเจ้าหนูถือเป็นโชคร้ายของเจ้าเจ้าอย่ามาเอะอะโวยวายกวนใจฉันเลยไปพน้นหนูก็วิ่งต่อไปไปเจอหมูแล้วก็ร้องว่ามีการดักหนูอยู่ที่บ้านมีการ กัดักหนูอยู่ที่บ้านเหมือนจะให้หนูให้หมูช่วยหมูก็บอกว่าโอ้ด่าสงสารเจ้าหนูแล้วเกินถือว่าความโชคร้ายข้าไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าเลยแถวเฮใครช่วยสวดบนให้ให้เจ้าปลอดภัยเห็นแล้วอสงสารไม่ได้หนูก็วิ่ง วายๆไปที่อื่นอีกไปเจอวัววัวกาลังกินหญ้าอยู่อย่างสบายกขบอกมีกรบบักหนูที่บ้านมีกลักหนูที่บ้านวัวก็บอกไม่เห็นเกี่ยวอะไรก่าเลยเป็นความเศร้าของเจ้ามากกว่าเจ้าควรจะระวังตัวให้ดีแล้วก็อย่าบากวนใจข้า หนูเลยต้องกลับมานอนที่หลังแบบตอมใจเพราะว่าไปขอใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยและคืนนั้นนั่นเองก็มีเสียงดังสดั่นในบ้านหลังนั้นคือกับดักหนูทำงานด้วยความมืดภรรยาของชาวนาเธอก็ออกมาดูว่ามีตัวอะไรมาติดกับดัก สิ่งที่ติดกับดักหนูมันคืองูเหาา่าเนื่องจาก่าเบื่อเธอมองไม่เห็นงูเห่าก็เลยกัดเธอกัดพอสามีรู้ก็รีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลไปหาหมอเสร็จก็ระพักฟื้นที่บ้านจากการพักฟื้นพักฟื้นคนป่วยตามสูตรก็ต้อง ใช้ซุปไก่บำรุงถึงจะหายไวเมื่อคิดได้ดังนี้ชาวนาก็ถือขวานไปที่ที่เล้าไก่แล้วก็จัดการกับไก่เอามาทำเป็นซุปเพื่อให้ภรรยาทานหลังจากทานซุปไก่แล้วอาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นต่อมาเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมมากมาย ชาวนารู้สึกตื้นตาใจมากก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมนึกไปนึกมาเอ้ยเรามีหมูเนี่ยว่าแล้วก็ไปเชือดหมูมาทำอาหารเลี้ยงแขกหลังจากนั้นไม่นานภรรยาชาวนาก็ทนพิบบติแผลงูเห่าไม่ไหวเพราะพิษมาไล่เข้าหัวใจเธอก็ต้องเสียชีวิต เธอเสียชีวิตแล้วก็ต้องจัดงานศพคนรู้จักก็มางานศพเธอมากมายชาวนาก็เอ๊ะก็เลยคิดถึงเรื่องอาหารก็ต้องจาเป็นต้องฆ่าวัวเธอละเพราะว่าเธอเลี้ยงคนต้องมากมายทีม่มาร่วมงานก็เลยฆ่าวัวมาทาเป็นอาหารเลี้ยงแขกเจ้าหนู มองรอดลอยแตกของบ้านด้วยสายตาที่เศร้าโศกโทษไก่หมูวัวพวกเจ้าตัวตายเพราะกับหลักหนูอันเดียวแท้ๆคือเรื่องนี้กับหลักหนูเป็นเหตุซึ่งเรื่องนี้จะเน้นเรื่องความสามาัคคีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะบางคนเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าเอไม่ยากเกี่ยวข้องอะไรกับเรา อย่างตาบู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเกิดโรคฉี่หนูโรคไขหวัดนกหรือโรคซาเนี่ยปั๊บเดียวเวลาไปทั่วเลยหรือเกิดสงครามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตีเมืองเนี่ยเขาเริ่มตีเมืองเล็กๆก่อนหรือตีเมืองที่บางเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยขเขาก็ไปขอช่วยเหลือเขาบอกไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองนี้แต่ไปมาเข า, าตีบดอะ่ะ เวลาทสงครามเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็โดนยึดด้วยพอยึดได้เมืองนี้ก็ต้องยึดเมืองต่อไปคือเรื่องนี้ใช้ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงระดับโลกได้น ะ, อะไอ้เรื่องหนูกระดักหนูเนี่ยมี่ง่คิดเยอะก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้อง สามคีร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าไม่ําไม่แก้มันก็จะลามไปทั่วเหมือนกับเด็ดดอกไม้สะเทือนไปถึงดวงดาวอย่างเมื่อก่อนอเมริกาเนี่ยพอค่างเงินบาทหรือเศรษฐกิจล้มเนี่ยปั๊บเดียวประเทศไทยก็โดนด้วยหรือญี่ปุ่นเนี่ยกระเทือนหมดเลยมันจะคล้ายๆเรื่องกับดักหนูเนี่ยบาทีเออประเทศเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะแต่โดนโดนหางเลขด้วย กเขาปะเทือนกันหมดอ่ะพอเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ดีปุ๊บประเทศอื่นก็โดนหมดเพราะต้องค้าขายขึ้นกันแล้วกันวิธีดีที่สุดก็คือร่วมมือร่วมใจสา ม, มัคคีแล้วก็หารางป้องกันด้วยกันอี่ยแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้โดยธรรมชาติเนี่ยคนเรามักจะชินชากับเรื่องที่เกิดขึ้น าบางวันเนี่ยเรารอรถเมยเนี่ยไอรถเมยคันที่เราคิดจะนั่งมันไม่ค่อยมาหรอกมันจะมาสายที่เราไม่ค่อยนั่งถึงมาบางทีก็มีผู้โดยสารมาเต็มคันเลยหรือแท็กซี่ก็เหมือนกันรถแท็กซี่เนี่ยบางครั้งเราอยากจะนั่งอยากจะใช้บริการมันก็ไม่ค่อยว่างมีผู้โดยสารมาด้วยหรือน า, นานๆมาคันหนึ่งพอเจอรถว่าง เราเรียกแท็กซี่บอกเดี๋ยวผมจะเอารถไปส่งอูครับขอโทษด้วยซึ่งคนเราบังเอเหตุการณ์อย่างนี้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยเพราะมันเป็นเรื่องผิดปกติแต่คนเรามาัจเอจำจำเรื่องที่ผิดปกติแต่เรื่องที่ปกติเราไม่ค่อยจำวันใดที่เรานั่งรถเม์แบบมันมาแบบทันใจเราหรือทำงานอะไรก็ราบลื่นลงล็อกทุกอย่างเนี่ยวันนั้นเราจะไม่ค่อยจำหรอก พรจิตคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมองทางเรื่องส่วนใจในเรื่องลบอย่างเคยมีนักเรียนใช้ประถมครูเขาให้มองไปที่กระดานสีขาวแล้วมีกระดาษดําอยู่ข้างซ้ายมือสุดเลยข้างบนเนี่ยเด็กนักเรียนทั้งชั้นเนี่ยจะเห็นในกระดาษดําแต่ว่าไอ้สีขาวอะ่ะเด็กก็มองไม่เห็นเพราะบัญชีนไง ชีวิตประจำวันคนเราก็เหมือนกันอย่างคนรักกันเนี่ยบางทีบางทีผิดหรือขัดใจกันสองสาครั้งเนี่ยจำไปตลอดชีวิตเลยแต่ที่ดีต่อกันเนี่ยเอาใจกันเนี่ยมันน้อยจำพ่อแม่รักลูกดีต่อลูกเป็นพันครั้งหมื่นครั้งลูกไม่ค่อยจำนะเพราะฉินชาแลกความดีอยู่พ่อแม่แต่วันไหนพ่อแม่ด่าลูกขัดใจลูก ทำลูกผิดหวังเี่ยลูกมันจำไม่ลืมเลยเพราะนี่เป็นธรรมดาของจิตมนุษย์เราจะโพนจากเรื่องเหล่านี้ได้เราก็ต้องมามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเจริญสติเพื่อให้รู้สึกตัวจะได้ไม่ตกไปท่าของอารมณ์เวลาเกิดอะไรขึ้นมาคือตัดได้ทันเพราะเราไม่เจริญสติเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็ถูกอารมณ์ลากไป ไม่ดีใจเกินเหตุก็ก็ต้องเสียใจสุดตรงสองข้างคือเราใช้ชีวิตอยากอยู่กับโลกธรรมเนี่ยยังมีความสุขเราต้องยอมรับความจริงกับโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์มีสารเสริญก็มีนินทาอันนี้เราต้องไปเชิญแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นคือเรายอมรับความเป็นจริงได้ เราสามารถปล่อยวางได้เพราะคนทุกคนคือนักโทษประหารเราไม่รู้เลยว่าความตายจะมาหาเราเมื่อไหร่เราก็ต้องหัดปล่อยวางเกิดความตายเกิดขึ้นไปจริงๆเราจะรับได้ไม่ทุกมากเพราะสมบัติทุกชิ้นเนี่ยไปของโลกไม่มีใครสามารถเอาจากโลกไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเม้ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไปของโลกหมดสมบัติในโลกนี้สิ่งเราทาได้ก็คือเจริญสติ สร้างความรู้สึกตัวพึ่งได้ยามตายอันมาเห็นว่าพูดมาก็หลายเรื่องแล้วก็หลายแนวเห็นว่าก็สมควรกับเวลาก็ท่องกอยโยมฟังก่อนหนึ่งแล้วกันก่อนก่อนปิดปิ ด, ปดเปิดระ เ, เ, เ, เ, เปิดก็แล้วกันนะ ไม่ได้เตรียมก่อนมาปิดปิดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไหมพองปิดปิดหูอย่าได้แสบไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หมนหมอง หรือเล้าใจฟุ้งซ่านผ่านลำพองผิดทํานองคนฉลาดอนาจใจปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะไปคนปากเหม็นเขาขึ้นไส้ต้องเกิดเรื่องเยอะๆเสมอไปขูบปากมากไว้ได้แท่งทองเปิดเปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรม ยิ่งมืดคำ่ำยิ่งเห็นชัดถนัดทนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีคือวิธีเปิดตาใจใช้กันมาเปิดเปิดหูให้ได้ยินสำเนียงธรรมทั้งเช้าคำ่ำมีกล้องายอยู่ในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตตาเสียงแห่งสุญญตาค่าสุดใจ เปิดเปิดปากพูดจาสนทนาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเหลวไหลพูดเรื่องดับทุกได้โดยสัจนายไม่เท่าไรเราทั้งโลกผลโศกแลขอฟวาสุขความเจริญธรรมจงมีกัญาติโยมและเพื่อนศาัทธาทั้งทุกท่านเจริญพร